Book 2 73 73ได้รับอนุญาตได้หาลูกไว้ที่นู่นคุณนู่คุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือหาดู คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรืออ till คุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือ till อนุญาตได้ฮ่าฟุ่ลล้วฟ์น เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ det จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ man med k k จ่ายเช็คได้ไหมคะ Can man จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะบขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคล้ขอถามอะไรได้ไหมคลปรมนขอพูดอะไรได้ไหมคลสว เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้เขา在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公 r 里睡觉。เ不能在公园里睡觉。他ไ能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能 e 公园里睡觉。t 不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。他不能在公园里睡觉。 เราขอรายการอาหารได้ไหมคะคานวีฟูว์เมนเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะคานบว่ o รรส